ตามสติกำหนดจิตใจก็คือกำหนดดูจิตที่มีราคะคือความจิตใจยินดีหรือที่ปราศจากราคะคือความติดใจยินดีจิตที่มีโทสะหรือจิตที่ปราศจากโทสะ จิตที่มีโมหะหรือจิตที่ปราศจากโมหะจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่จิตที่ถึงความใหญ่ เมตตาภาวนาสมาต้นหรือจิตที่ไม่ถึงความใหญ่จิตที่ยิ่งคือยิ่งด้วยสมาธิปัญญา มุตต์หลุดพ้นหรือจิตที่ไม่ยิ่งจิตที่มีสมาธิหรือจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่หลุดพ้นหรือจิตที่ไม่หลุดพ้นตั้งสติกําหนดดูทำ คือธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือที่เป็นกลางกลางต่างๆอันนอกไปจากข้อที่กล่าวแล้วในกายในเวทนาและในจิตทั้งสามขั้นต้น และได้ตรัสทางปฏิบัติเพื่ออะไรหรือโดยวิธีอย่างไรไว้ ว่าในการปฏิบัติตั้งสติดังกล่าวนั้น <c oughs> ก็ให้ปฏิบัติพิจารณา <c oughs> กายเวทนาจิตธรรมทั้งหมด <c oughs> โดย เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดดับมิใช่โดยนิจจคือเป็นของเที่ยงโดยเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่มิใช่โดยเป็นสุขโดยเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่โดยอัตตาคือโดยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรามีความหนาย มิใช่มีความเพลิดเพลินมีความคลายความติดใจใจมีความดับ คือดับตันหาความริ้นรนทยานอยากของใจมีใช่ก่อตันหามีความสละวางมีใช่มีความยึดถือ การปฏิบัติตั้งสติก็โดยวิธีดังที่กล่าวมานี่เพื่อให้เห็นว่าไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นทุกข์ต้องมีความเปลียปปป่ยนแปลง เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราแหละเพื่อนนายไม่เพลิดเพลินเพื่อคลายความติดใจไม่ใช่ติดใจ เพื่อดับตันหาดับทุกไม่ใช่ให้เกิดตันหาก่อทุกเพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพยึดถือและได้ตรัสสอนถึงวิธีปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้น เรียกว่าภาวนาที่แปลว่าทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นแล้วภาวนานั่นจะทำอย่างไรก็ได้ตรัสสอนเอาไว้อีกว่าภาวนาอันหมายถึงปฏิบัตินั้น ก็คือปฏิบัติทรรมสติความระลึกได้หรือความกำหนดทมยานความอย่างรู้ที่เป็นตัวปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้น อันในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นโดยไม่ให้พลาดมาให้ล่วงเลยเผลอเรอในธรรมะที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้น อยาก่นว่าเมื่อตั้งจิตกำหนดดูกายเช่นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็หมายถึงว่า กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันดังเช่นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บังเกิดอยู่ในบัดนี้หายใจเข้าในบัดนี้ก็มีสติมีญาณ กำหนดรู้หายใจออกอยู่ในบัดนี้ก็มีสติมียานกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าเผลอหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในบัดนี้แต่ว่าจิตมิได้กำหนดหรือกำหนดไม่ทัน จึงไม่มีสติไม่มียานอยู่ในเราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกนั้นเพราะว่าเผลอสติหรือว่าจิตไม่ตั้งกำหนดไม่ตั้งเพื่อที่จะรู้ฉะนั้นหน้าที่ของภาวนาคือการปฏิบัติประการแรกก็คือกำหนดให้มีสติให้มีปัญญาหรือญาณ กำหนดทันต่อธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนี่เป็นหน้าที่ของภาวนาประการที่หนึ่งและให้รวมอินทรีย์ทั้งหลายมาปฏิบัติกิจคือหน้าที่พร้อมกัน ได้แก่รวมตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจใหมาปฏิบัติหน้าที่กำหนดอยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสุดแต่ว่าจะยกเอาข้อไหนกาย ข, ขอไหนเวทนาขอไหนจิตขอไหนธรรมะข้อไหน ขึ้นมาก็ให้ทางตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งมนณะคือใจมาปฏิบัติหน้าที่กำหนดรู้พร้อมกันไม่ใช่ว่าทั้งหกนี้จะแยกย้ายกันไปทำงานทำหน้าที่ต่างๆกัน ตาไปดูส้นทางหนึ่งหูไปฟังเส้นทางหนึ่งจมูกลิ้นกายมณนะคือใจไปเส้นทางหนึ่งทางหนึ่งต้องรวมกันกล่าวย่อก็คือต้องรวมกายใจนี้ทั้งหมดเข้ามาเป็นอนันเดียวกันนี่เป็นหน้าที่ของภาวนาประการที่สองและนําความเพียรพยายาม ปฏิบัติโดยเริ่มดำเนินและก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงเป้าหมายบรรลุถึงความสำเร็จเป็นสติเป็นญานกำหนดรู้อยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้น คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่กำหนดนั้นนี่เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็นประการที่สามนั่นแหละคายความเพียรปฏิบัติส่องเสร อยู่ในข้อที่ปฏิบัตินี้เนืองๆ เ, เสมอๆให้สม่ำเสมอไม่ทอดทิ้ง และความส่องเสพนี้ก็หมายความว่าให้รับเอาข้อที่ีเข้าไปให้ถึงใจให้ตั้งอยู่ในใจเหมือนอย่างบริโภคอาหารซ่องเสพอาหารบริโภคอาหาร ก็ให้นำเข้าปากเขี้ยวเกลืนเข้าไปให้เข้าถึงในท้องเพื่อย่อยไปเลี้ยงร่างกายในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องรับเอาข้อที่ปฏิบัติกรรมฐานที่ปฏิบัติให้เข้าไปถึงใจให้ตั้งอยู่ในใจ ให้แผลซ่านไปในใจดังเช่นจะให้ปรากฏเป็นปีติเป็นสุขขึ้นในใจเหมือนอย่างบริโภคอาหารเข้าไปย่อยเลี้ยงร่างกายให้เรื่องใจอิ่มเอิบก็ส่งเสพเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้ใจอิ่มเอิบเป็นปีติเป็นสุขขึ้น เป็นผลที่ได้รับดังนี้เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็นประการที่สี่ถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็เป็นอันว่าจบสรุปในสีประธานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจความสุขและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะ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 วันนี้เป็นวันเริ่มต้นอบรมปฏิบัติกรรมฐานในพัสการนี้และก็จะได้เริ่มต้นสวดมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งแต่ต้น จากการแสดงบรรยายตามที่เคยปฏิบัติมาทุกปีเพราะว่าจติปทานสีนี้ที่พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงในมหาสติปทานสูตรได้รวบรวมหลักธรรมะเข้าในแต่ละข้อแห่งสี่ข้อนี้เป็นอันมาก เมื่อพิจรารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงสติเท่านั้นยังประกอบไปด้วยปัญญา ว่าจะยกชื่อธรรมะหมวดอื่นขึ้นแสดงเช่นโพธชงเจ็ดมักมีองแปดก็ตรัสประมวลไว้ในสติปัฏฐานข้อที่สี่นั่นด้วย ในพระสูตรอื่นในแยกแสดงจำเพาะข้อจำเพาะข้อเช่นแสดงสติปัฏฐานสแสดงโพชฌงเจ็ดแสดงมรรคมีองค์แยกหมวดกันออกไปแต่ในมหาสติปัฏฐาน สูตรนี้ได้ทรงประมวลเข้าไว้ในพระสูตรเดียวกันและก็ในขนานามพระสูตรนำวสุมหาสติปัฏฐานสูตรและ แม่ในแต่ละหมดธรรมที่นำมาประมวลเข้าไว้นี้ก่อนลงท้ายด้วยสติปทานทั้งสี่นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นับถือ ว่าเป็นหลักปฏิบัติสำคัญพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานแม้ว่าจะมีวิธีสอนอันหมายถึงวิธีปฏิบัติประกอบแตกต่างกันไป แต่ก็ประมวลเข้าในหลักของ ส, สองสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ด้วยกันทั้งหมดเค่นั้นจึงได้ถือเป็นพระสูตรหลักตั้งตนสแสดงตั้งตนสวน ังแต่วันอบรมปฏิบัติกรรมฐานหรือว่าจิตภาวนาต้นพรรษาทุกปีโดยลำดับมาแต่ในการแสดงอบรม บรรยายนั่นได้นำข้อธรรมต่างๆมาแสดงนำได้อธิบายสติปัฏฐานโดยตรงตามสมควรเพราะว่า ได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อเมื่อได้เข้ามาแสดงอบรมปีแรกซึ่งได้เขียนขึ้นไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมจำนวนที่แสดง อธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อนั้นได้ยี่สิบสองครั้งรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันให้ชื่อวันแนวปฏิบัติทางสติปัฏฐานผู้ที่ต้องการจะทราบอธิบาย สติมหาสติประธานาสุดแต่ละข้อก็อาจหาอ่านได้โดยสะดวกในพัฒการนี้จะได้แสดงนำโดยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ไปทีละข้อตามบทมสันเริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่สดกันว่าอิริบิโซภะกวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้น สวากาโตภกวตาธมโมเป็นต้นสุปฏิปโนภกวตมโตสาวกัสังโคเป็นต้นในบทพระพุทธคุณนั่นเริ่มด้วยคำว่าอิติปิโสภกวาประภูมิประภาคเจ้านั่น อรหังเป็นพระอระหันติปิแม้อย่างนี้เป็นต้นคือยกศั์ขึ้นแปลได้ว่าพ ร, ระกวาระภูมิประภาคเจ้าโซพระองค์นั่น อรหังเป็นพระอรหันติติปิแม่อย่างนี้คำว่าอิติปิแปลว่าแม่อย่างนี้เป็นคำทแทนการพิจารณาของทุกคนคือในการพิจารณา พระพุทธคุณนั่นก็คือยกเอาบทพระพุทธคุณแต่ละบทขึ้นพิจารณาบทแรกก็คืออรหังก็ยกบทอรหังขึ้นพิจารณา ว่าพระภูมิีประภาพเจ้านั้นอารหังเป็นพระอารหันติติปแิแม้อย่างนี้แม้อย่างนี้คือว่าสุดแต่ภูพิจรารณาจะพิจารณาไปอย่างไร จะพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอิติปิทว่าพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์แม้อย่างนี้แม้อย่างนี้แต่ว่าการพิจารณานั้นถ้าไม่รู้เนื้อความ พิจารณาไม่ถูกว่าเป็นพระอาหารหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ยังได้แสดงสอนเอาไว้สำหรับผู้พิจารณาจะได้ถือเป็นหลัก ในการปฏิบัติพิจารณาหรือเรียกว่าจเจริญพุทธานุสติ